ตื่นได้แล้วเจ้าๆอย่างนี้พยายามละความงา่วงงองนอนออกจากจิใตใจสำนึกของเราได้แล้วเพราะว่ากว่าที่เหล่านั้น จะได้มาบำเพ็นเพียนสติของเรานั้นมันช่างยากเหลือเกินโอกาสและเวลาที่เราจะได้สะสมจิตที่เป็นบุญกุศลที่เราสะสมมาสร้างมาหลายภพหลายชาติจนมาถึงภพปัจจุบันนั้น นับว่าเหล่านั้นดีกว่าสัตว์อื่นหมื่นแสนที่เราได้บาบัดเป็นเพียงในครั้งนี้คนเราต้องมีเหตุย่อมมีส่งผลถึงในภพปัจจุบันถ้าเราไม่เคยประพฤติดีปฏิบัติชอบมาก่อน เราคงไม่รู้จักกรรมดีกรรมชั่วขอให้ท่านทั้งหลายจงกำหนดไปที่ใจของตัวเองเมื่อกำหนดสมมุติมองเห็นหัวใจของตัวเองใจก็คือจิตนั่นเองจิตวิญญาณของท่านทั้งหลาย ไม่รู้ตัวรู้ตนขาดสติมาตลอดแต่บัดนี้เราได้มีสติคือความรู้ตัวว่าเรานั้นได้มาบำเพ็ญเพียรอยู่ณสถานที่แห่งนี้นับว่าเป็นมหากุศลอย่างยิ่งยิ้มเข้าไว้ ยิ้มเข้าไว้ในใจพยายามประคับประคองใจของเรานั้นให้เป็นบุญและกุศลบุญก็คือความว่างเปล่ายิ้มเข้าไว้มองใจปราศจากความมัวหมองในใจมองเห็นใจเราเนื่อใสดุจ ด, ดังน้ำ เหมือนกับน้ำค้างที่มันติดอยู่บนยอดอยาตอนเช้าเชาหรือก็สมมติว่าใจของเราเนี่ยเหมือนเปลียกเสมือนดวงจันทร์กาลังเป็่งประกายใสยพระจันทร์เต็มดวงว่วใจพุทพระจันทร์เต็มดวงเราแสดงว่าเราเต็มใจเติมความรู้สึกสติมีความรู้ตัวเข้าไป ยิ้มไว้ในใจตัวยิ้มตัวนี้ก็คือตัวเมตตาเมื่อเรามีเมตตาก็คือความรักโอ๋เนาะเราได้พิจารณาหาด้วยเหตุและผลพยายามรักษากายวาจาใจให้ถึงพร้อมเรียกว่าศีลเรามาคราวนี้เนี่ย เราได้เห็นใจของตัวเองเมื่อก่อนเราก็ไม่ได้มองเห็นใจตัวเองเลยแต่อยากให้คนอื่นเนี่มาเข้าใจเราอยากให้คนอื่นได้เห็นใจเรามันจะเห็นได้อย่างไรเมื่อใจก็เป็นของท่านทั้งหลายใจก็คือจิตนั่นเอง ใครจะรู้จิตรู้ใจเท่ากับตัวเรารู้ไอ้ที่ว่าเองยึดว่าตัวกูของกูนั่นแหละเมื่อมองเห็นสภาวะจิตที่เป็นบุญบุญก็คือความว่างวางทุกสิ่งทุกอย่างเรียกว่าจิตวิญญาณที่บริสุทธิ์เมื่อจิตเราบริสุทธิ์แล้วเนี่ยไม่ว้าวุ่นใจ ไม่กวนกวยใจทำให้ใจเนี่ยสบายผ่องใสบุญมันก็เกิดในขนาดที่เกิดบุญบุญคือความว่างเปล่าก็ควบคุมบุญไว้ก็คือสติเอาสติคือความรู้ตัวของเรานี่แหละเข้าไปจับที่ใจอย่าให้ใครเนี่ยมาแสวงหรือแย่งบุญเราไป เรียกว่าเราสแสวงบุญสแสวงก็คือวกไปเวียนมาเหมือนเราสแสวงหาทรัพย์ภายนอกเช่นแก้วแหวนเงินทองเราก็สแสวงหาด้วยความเหนื่อยยากบุญเราก็ประคับประคองใจเราก็คือจิตของเรานี่แหละอย่าให้เอาเปรตสัตว์ดเดรัจฉานมาครอบงําจิต ก็ต้งบอกว่าอย่าเอากิเลสหรือเอาความสมมุติที่เราปรุงแต่งอยู่ทุกวี่ทุกวันเนี่ยมาครอบงำความรู้สึกของเราให้เสียจากความเป็นบุญไปบาปก็คือความว้าวุ่นใจถ้าในขณะนี้เนี่ยเรามีความว้าวุ่นใจแสดงว่าจิตของเราเนี่ยตกอยู่ในอบายภพ อภูมิของเปตอสุรกายสัตว์เดลฉานเปตอสุรกายสัตว์เดลฉานนั้นไม่รู้ภูมิภพของปัญญาไม่รู้จักภาษาของคุณงามความดีไม่รู้จักธรรมของพระพุทธเจ้าจะฝักไฟอยู่แต่เรื่องราคะจริตไม่มีความระอายใจเราลองถามใจเราซิว่า ในขณะนี้เนี่ยเราต้องการบุญหรือว่าต้องการบาปเมื่อเราทำใจให้เป็นบุญเนี่ยบุญก็คือความว่างเปล่าบริสุทธิ์ไม่มีความมัวหมองจากความโรคความโกรธความหลงยิ้มไว้ด้วยความเมตตาการุณาคือความสงสารตัวเองประกอบบาโอเนอเราเกิดมา ตั้งแต่รู้ภาษามาเนี่ยเรานี่ไม่เคยหยุดคิดเลยไม่เคยหยุดความฟุ้งซ่านลังเลสงสัยเลยวันนี้นี่แหละเราจะไม่ลังเลสงสัยในธรรมของพระพุทธเจ้าพระธรรมก็คือคำสั่งสอนให้หลุดพ้นจากความชั่วทั้งปวง ประกอบกรรมดีทั้งปวงยิ้มเขวะมองถึงจิตของท่านเมื่อมองแล้วเราเคยปรุงแต่งฟุ้งซ่านจนปวดหัวเป็นไข้ตัวร้อนหนาวทำงานอย่างหนักอย่างแสนสาหัสทำไมเราไม่พ้นจากความรู้สึกนึก คิดในสิ่งที่เป็นอ ก, กุศลเลยแต่ในขณะ น, นี้ท่านทั้งหลายเราพยายามบําเพ็ญไว้เพียนพยายามไว้เอาบุญบุญก็คือความว่างเปล่าเมื่อจิตเราว่างเปล่าแล้วใจเราก็เป็นกุศลเรียกว่าบุญและกุศลนั่นเอง กุศลละธรรมเราก็ได้ฟังธรรมจากจิตใต้สำนึกเรียกว่ากุศลละจิตอกุศลละจิตก็คือสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยมันมาครอบงำทำให้เราเนี่ยมีทิฏฐิมานะเกิดความฟุ้งซ่านลังเลไม่สบายใจก็คือไอ้กายวิญญาณ น, นี่แหละเมื่อกี้หลวงพ่อพูดถึงจิตวิญญาณ คนที่จะพูดถึงจิตวิญญาณได้ละเอียดได้รู้เท่าทันของหัวจิตหัวใจของตัวเองควบคุมจิตใจควบคุมอารมณ์ของตัวเองได้ไม่ให้ตกไปในอบัยภูมิได้ก็ต้องอย่างน้อยๆเนี่ยเราก็ต้องเป็นอริยสงฆ์อริยเจ้าแนละ้วเพราะปัจเจกพระพุทธเจ้าก็พัฒนาจิตไปเรื่อยๆ คนที่ตกอยู่ในอบายภะมมเรียกว่าอากุศลละจิตอากุศละจิตก็หมายถึงความคิดหรือดําริที่มันผิดก็คือความคิดที่ฟุงซ่านในใจเมื่อเรารู้แล้วว่าโอ๋เนอหลวงพ่อท่านบอกว่าอากุศลละจิตมันครอบงำเนี่ยก็คือกิเลสคือความโรค เมื่อมีความโรบเนี่ยเราก็มีความทะเยอทะยานดากสมมุติปรุงแต่งไปทั้งสิ้นร่างกายเราก็สมมุติว่าในขณะนี้มันปวดมันเมื่อยไอจิตวิญญาณก็คอยตามไปว่าโอ้นาะทำไมวันนี้เราปวดจริงทำไมวันนี้เราง่วเหงาเหานอนจริง ใจจิตของเราเนี่ยมันไม่เคยสงบเลยจิตวิญญาณของเราเนี่ยมันเป็นลิงโลดเลื่อนเลงบันเทิงมาตลอดเลยตามองเห็นหูได้ยินไปเจ้ากายเนี่ยก็ไปตามตาที่มองเห็นเพราะเราป่านสนามมองเห็นและอยากได้ก็คือความโรคเมื่อมองเห็นแล้วพอได้เขาได้ยินเสียงเขาพูด ว่าเขารวยอย่างนั้นเขาทำตรงนี้จะได้แก้วแหวนเงินทองได้ทรัพย์สินเขาก็หลอกเราหลอกเราก็ปรุงแต่งทางใจรืมบ้านรืมช่องคำว่ารืมบ้านก็หมายถึงว่ารืมสตินั่นเองเราอยู่บ้านก็มีที่นอน เราอยู่บ้านก็มีอาหารการกินเราอยู่บ้านเราก็ไม่เดือดร้อนไม่ต้องกวีก็วาดกระวนกระวายเดินทางไกลก็อาจจะต้องเสียชีวิตอุบัติเหตุอุบัติภัยเกิดขึ้นได้เราอยู่บ้านเราก็ไม่ต้องไปทะเลาะเบาะแวงกับใครไปที่คิดว่าปรุงแต่งไปหูได้ยินตาได้เห็น ปกติเราอยู่คนเดียวในเราก็ไม่คิดฟุ้งซ่านอยู่แล้วมีใครบ้างเคยทะเลาะกับตัวเองอยู่วันหนึ่งวันหนึ่งทะเลาะกับตัวเองพูดกับตัวเองด่าดตัวเองทําร้ายตัวเองอยู่ตลอดเวลามีคนบ้าเท่านั้นคนบ้ามันนั่งพูดคนเดียวยิ้มคนเดียว บางทีก็เชื่อเชื่อตัวตัวเองทำร้ายตัวเองบางทีก็เผาบ้านของตัวเองซะคนบา้าเรียกว่าวิคนวิคนจริตเราลองนึกถึงเราด้วว่าโ อ, โ, โอ้นอเออจริงเว้ยถ้าใจเราในมีสติควบคุมอยู่ในบ้านเราก็คือในตัวเราเนี่ย รู้ตัวเราอยู่ในใจอยากมีความสุขก็ยิ้มไว้ในใจอยากมีแก้วแหวนเงินทองเราก็ต้องลืมตาเปิดหูออกจากบ้านไปต่ให้กีเดทมันหลอกเรารลอกเราเห็นขึ้นของเห็นคนอื่นแต่งตัวสวยเราก็มาคิดในใจปรุงแต่งเองแล้วโอ้เนอ ทำไมเราไม่สวยอย่างเขาทำไมเราไม่หล่ออย่างเขาไอ้จิตสันดานที่มันปรุงแต่งนี่แหละมันก็พยายามคิดปรุงแต่งว่าไม่สวยไม่หล่อแล้วยังไม่พอขาดความผิวพรรณรูปร่างหน้าตาหุ่นก็ไม่ดีคิดปรุงแต่งฟุ้งซ่านไปว่าโ อ, โอ้นอ เขาทำบุญอย่างไรจึงมีหน้าตาดีรูปร่างดีมีวันะผ่องใสเรานี่ไม่เข้าใจตัวเองอยู่แล้วออกจากบ้านตัวเองเปิดประตูหน้าต่างเขาเรียกว่าเปิดเปิดใจถ้าเราไม่เปิดปากเนี่ยใครจะรู้ความรับของเราได้ถ้าเราไม่ลืมตามมองเห็นคนอื่นเนี่ย มาเปรียบเทียบกับตัวเองเนี่ยโดยที่ไม่รู้เนี่ยไม่รู้จริงเราก็ละเมอเพิ่มพาะปรุงแต่งนั่นเองแต่ในขณะ น, นี้นักปฏิบัติทั้งหลายท่านอย่าหายใจเข้าเป็นวัวเป็นควายอย่าหายใจออกเป็นวัวเป็นควายเลยควายก็คือเรื่องของเขามันมีเขาเนี่ยวัวมันก็มีเขา ควายนี่เขามีเอาไว้ทำอะไรเขาเอาไว้ลากเอาไว้จูงเอามาไถไล่ไถานาแถมกินข้าวก็ไม่ได้กินแต่หญ้าสวนเขาถูก<ม>โดนเขาถูกสวมสะพายให้อีกเจาะจมูกนี่ชักจูงเห็นไหมควายตัวใหญ่กว่ามนุษย์ตั้ ง, ยยงยเยอะก็เปรียบเสมือนกินเลดเนี่ยมัน ตัวใหญ่เท่าช้างเท่าวัวเท่าควายเอามดไปแรกกระวัวกรควายเนี่ยอาตอมาเห็นว่าพวกเราคงจะเลือกวัวเลือกควายคงไม่เลือกมดหรืมดเอามามันก็กัดอีกต่างหากหมดเอามาก็ไม่ได้เกิดประโยชน์เลยมดเนี่ยเอาวัวเอาควายยังได้ใช้หนังใช้เนื้อยังได้กินเนื้อกินกระดูก ยังไงท่านทั้งหลายก็เลือกวัวเลือกควายแต่ไม่เลือกมดนะมดเนี่ก็เปียบเสมือนฝุ่นละอองเล็กๆไม่มันไม่มีคุณค่าไอ้ที่เราวุ่นวายใจเนี่ยก็เพราะว่าไอ้เรื่องยิ้มๆเล็กๆน้อยๆเรื่องเล็กเนี่ยทำให้เป็นเรื่องใหญ่ ทำให้หมนหมองใจไม่สบายใจก็เพราะว่าเราไปเห็ น, น, นสิ่งนั้นสิ่งนี้เราปัจนาสิ่งที่ใหญ่เกินตัวก็คือใจใหญ่ใจกว้างเกินที่เขาบอกว่าแม่ใจกว้างยิ่งกว่าแม่น้ำ อ, อีกแล้วถ้าเกิดท่านไปเจอเอาใจใหญ่ยิ่งยิ่งใหญ่เท่ากับทะเลละ่ะ น้ำในทะเลที่เรามองเห็นเนี่ยมันกินไม่ได้มันทานไม่ได้เพราะมันเค็ ม, เ, มเราไม่ได้ปลูกฝังอยู่กับเหมือนกับสัตว์ทะเลสัตว์ทะเลมันก็เกิดกินนอนอยู่ในทะเลมันอยู่ในน้ำเค็มเมื่อสัตว์ทะเลมันอยู่ในน้ำเค็มมันก็ชํานานในการอยู่ในน้ำเค็ม ่นน้ำเค็มได้มีทุกสิ่งทุกอย่างที่ปกป้องตัวเองปรับตัวเองให้เข้ากับน้ำเค็มได้เหมือนเราเอาสัตว์น้ำเค็มไปไส่น้ำจืดสัตว์น้ำเค็มมันก็ปรับเรียนรู้ไม่ได้มันก็ตายฉันใดก็ฉันนั้นถ้าเราเกิดมาจากเมืองบาดาล เ, เมืองบาดาลก็เรียกว่าทะเลใต้น้ำนั่นแหละ มันรึกยิ่งกว่าบนเนินเขาบนเนินดินอยู่บนดินไม่ได้ก็ต้องเหมือนกับเกิดที่สูงเนี่ยฝนมันตกน้ําเนี่ยมันไหลจากที่สูงเนี่ยมันจะต้องไหลตามสภาพของมันต่ําตรงไหนมันก็ไหลไปตรงนั้นถ้าจิตใจเราคิดต่ําแล้วเนี่ย มันก็ลื่นไหลต่ำลงต่ำลงต่ำลงเมื่อต่ำจากความเป็นมนุษย์อยู่บนเขาบนดินไม่ได้ก็เปรียบเสมือนจิตใจของเราอยู่บนไม่ได้มองเห็นกรรมดีไม่รู้ไปยินดีกรรมชั่วกันไหลลงไปที่เราอยู่ทุกวันนี้เราก็กัดกินกุ้งหอยโปูปลา ไอ้กุง้งไอ้หอยปูปลาเนี่ยมันก็หนีสุดชีวิตไอ้ในพานเนี่ยมันก็ไปจับมาจนได้มันอยู่ถึงใต้ท้องทะเลก็ยังไปตามจับมาเพราะความโลภกับความอยากได้ของดีของชั่วแยกแยะไม่ออกของกินอยู่ที่บ้านเราเนี่ยมากมายแต่ออกไปจับจ่ายใช้สอย ไปกินในห้างบางนะไปโรตัส ไ, ไปน่นไปนี่เสียเวลาไปวันหนึ่งวันหนึ่งคิดปรุงแต่งว่าโอ้เนะเราจะต้องกินอาหารต้องเป็ดไก่เอามาบำรุงบำเลอร่างกายให้เราเนี่ยแข็งแรงแต่ไม่รู้เลยว่าไอ้สิ่งที่เรากินเนี่ยมันเป็นสัตว์เดละชาน มันเป็นมนุษย์อย่างเราไม่ได้มันตกไปในอบายภูมิเป็นภูมิของสัตว์เดรัจฉานรูปนามแห่งกรรมไก่ก็เป็นรูปร่างไก่ก็เพราะทำกรรมดีไว้ไอ้ทำกรรมชั่วไก่เนี่ยมันแจ้งไม่ได้มันขันมันร้องคำว่าร้องเนี่ยหมายถึงว่า มันตายเพราะเสียงมันมันไม่รู้รเวลาคนที่ไม่รู้รเวลากลางวันกลางคืนเนี่ยมันกากกรรมคุ้ยเขี่ยหากินมันไข่จนตัวมันเนี่ยเจ็บทวานไปหมดไก่เนี่ยบางตัวเนี่ยมันไข่จนเลือดก้นเนี่หลุดออกมาเลือดเลยก้นเน่า ขนาดก้นเน่าแล้วยังไม่หยุดไข่เลยมันก็ไข่จนมันแก่ตายไปหมดไข่หมดอายุเมื่อหมดไข่หมดอายุแล้วเจ้าของก็เอาตัวเนี่ยไปขายเอาไปขายเสร็จไอพ่อค้านามันก็รับไปรับไก่มันก็ไปเชือดนะเพราหมดคุณค่าแล้วไอเจ้าของ ออนแรกเลี้ยงไว้ก็หวังว่าจะได้กินไข่เมื่อไข่หมดแก่ตัวแล้วก็นึกก็ปลดระวางแล้วเจ้าของก็ขายให้พ่อค้าไปเนะี่ยเพราะว่ายังประโยชน์ไข่ไม่ได้แล้วมันไม่ไข่แล้วแก่ถึงจะไข่ก็ไข่น้อยแล้วกินมากไข่น้อย ไอ้พ่อค้าก็แสวงหาประโยชน์เห็นเลยเห็นประโยชน์ว่าโอ้เราจะต้องรับซื้อไก่ที่แก่ๆเนี่ยไอท้ทีเขาปลดระวางแล้วเนี่ยเอามาเชือดเพื่อจะได้ขนได้เนื้อมันนะเอาเอามาขายอีกทอดหนึ่งเมื่อมาถึงพ่อค้ารับซื้อมาแล้วมันก็เอามาเชือดคอ แยกเลือดแยกเนื้อแยกแข้งแยกขาแยกแยกตับไตไส้พุงออกก็เอามาต้มเอามานึง่งปรุงแต่งเอามาแขวนขายไอเราเนี้ยก็ไม่รู้เลยโง่เป็นมัวเป็นควายก็ไปซื้อไก่เนี้ยเอามากินเป็นทอดที่สามออก็เหมือนกับเปรียบเทียบ อุปมาอุปไมยว่าเราเลี้ยงลูกเนี่ยก็หวังว่าจะพึ่งลูกรเรารอเลี้ยงจิตใจของเราเนี่ยก็หวังว่าคนอื่นเนจะมาเข้าใจเราใจเราเรายังไม่เข้าใจตัวเองเราจะให้ผีสางนางไม้เทวดาที่ไหนมาเข้าใจเรา พอเขบอกว่าเอาไหมเอาผีมาเข้าเราดีไหมไอ้ที่เขาเรียกว่าผีเข้าอะ่ะร้องวิทวิทวิทจะเอาแบบนั้นไหมกลัวเลยไม่เอาเรื่องอะไรตัวฉันจะให้ผีมันมาเข้าเราจะให้จิตวิญญาณคนอื่นมาแฝงอยู่ในตัวเรากลัวไม่เอาแต่สิ่งที่มันแฝงอยู่ในจิต อยู่ในใจของเราเนี่ยมันก็มีแต่สัตว์เดรัจฉานมันแฝงเข้าไปโดยที่เราเนี่ยเห็นอยู่กันแล้วเห็นเห็นอยู่แล้วที่เขากินไข่หมดไข่ก็กิกนตัวหมดตัวเขาก็กินชีวิตเราเข้าไปไก่ไก่เนี่ยไไมันไม่รู้เลยว่าอนาคตของมันเนี่ยต่อไปไข่จนตูดเน่าเนี่ย ทนะาวารเน่าเนี่ยไข่จนหมดแล้วแก่แล้วเนี่ยจะต้องตายจะต้องถูกขายไปอีก เ, เมื่อขายเสร็จเขาก็ต้องเอาไปไหนเข้าหลักประหารก็คือความตายวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยเราเนี่ยถูกประหัดประหารจากความดีเนี่ยไปยี่สิบสี่ชั่วโมง วันหนึ่งวันหนึ่งนี่เราก็ปรุงแต่งไปตามหูตามต า, ม ต, ามตามสภาพที่เราเนี่ยริมตัวเริมตน ว, ว, ว่าเราเป็นมนุษย์สมบัติมนุษย์สมบัตินี่จะ ต, ต้องนั่งนอนด้วยสติปัญญาอุปโภคบริโภคด้วยปัญญาเหมือนพระที่เขามีสติปัญญา เรียกพระอริยสองนี่มีสติปัญญาสติก็คือหมายถึงท่านนั้นรู้ตัวว่าวันเวลาโอนา้นอมันช่างไวซะเหลือเกินเราเกิดมาแป๊บๆเราก็ยังเป็นเด็กน้อยอยู่เลยที่เราเห็นเด็กเห็นลูกเห็นหลานเราโอ้โหมันโตวไวขนาดนี้ ว่ามันโตวัยแต่ว่าไม่รู้วันเวลาไม่รู้ไหวของตัวเองนึกว่ามันยังช้าอยู่มันยังเช้าอยู่มันยังไม่เย็นมันยังไม่หมดเวลาอยู่ปรุงแต่งอยู่ได้เนี่ยเรามาตั้งหลายวันแล้วมาไม่รู้กี่วันแล้วเนี่ยวันหนึ่งวันหนึ่งต้องมีตั้งยี่ิบสี่ชั่วโมง กว่าจะได้มาบำเพ็ญเพียรสติกว่าจะได้รับรู้สติปัญญาเนี่ยลงตาต้องปกกันน้อยบุญไหวไปหมดหลวงพี่มหาพยายามเทศนาบอกกล่าวถึงความรู้สึกที่ดีให้หลุดพ้นจากอบัยภูมิ ภูมของเปดอสูรกายสัตว์เดรัจฉานมันจะมานั่งฟังอย่างนี้ได้อย่างไรสัตว์เดรัจฉานมันจะมารู้ภาษาเราได้อย่างไงอย่างดีมันก็ยกพวกกัดกันมันสงสัยอะไรมันก็เห่าหอนเอา ข, ของเน่าของเหม็นให้มันกินมันก็ไม่รู้ถึงสุขภาพมันเรากินเนื้อหมดหมูหมากาไก่ก็กินกระดู่ เราลองนึกถึงชีวิตเราในว่าเป็นมนุษย์เนี่ยช่างสุดประเสริฐดีแล้วเห็นไฟข้างล่างเนี่ยให้เหลืองไปหมดสวยงามมีแต่ตึกลานบ้านช่องแต่เห็นควันขึ้นวัดหัวหินเป็นประจำเลยวัดกัสปะเนี่ยควันขึ้นขงมงเลยเขามีเมนไว้ทำอะไรลรก เขามีเมนไว้เผาศพเห็นพระสวดกันทุกวันเลยกุศลาธรรมะกุศลานธรรมะเมื่อเกิดแล้วจะต้องตายนั่นเองก็เหมือนไอไก่นั่นแหละมันไข่หมดมันก็ต้องถูกเชื่อดคือมันหมดเวลาที่เป็นประโยชน์ชีวิตเราเนี่ยยังประโยชน์ให้กับตัวตนเลยให้มากที่สุด ที่คนโบราณเขาบอกว่าแม่อันนี้มันเห็นแก่ตัวคนโบราณนี่พูดถูกเลยว่าการเห็นแก่ตัวเห็นกันได้เนี่ยทาไมมีได้มันจะไปร้อยเข็มเย็บจกปักตักงร้อยจะไปปุปะกไอ้ที่ขาดได้ที่ไหนชีวิตเราคิดว่าเราขาดอยู่ตลอดเวลา มันแทบจะขาดใจเลยถ้ามันไม่ได้สิ่งที่ปรารถนาเราลองนึกถึงตัวเองว่าองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าท่านกล่าวว่าสุก็ยึดไม่ได้นะความปวดเมื่อยของเราในขณะ น, นี้มันก็ยึดไม่ได้เดี๋ยวก็ปวดมันก็เดี๋ยวก็ปวดเดี๋ยวก็ปวดอยู่อย่างนี้ นั่งเฉยๆมันก็ปวดเดินไปมันก็ปวดเมื่อยวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยเราไม่ปวดหูปวดตาเมื่อเรอที่เรามองทั้งวันเนี่ยถึงก็เพิบตาพิบเพิบเพิบชำระล้างเหมือนกับไอ้รถที่มันปาดกระจกมันมีตัวปาดกระจกพอกระจกขุ่น ม, มัวปุ๊บเราก็มองทางไม่เห็น ก็จะต้องมีที่ปาดเ่อเรียกปาดน้ำฝนทำความสะอาดรถมันเนี่ยปาดเฉพาะหน้าฝนหรือกระจกมันไม่สะอาดมันเราถึงจะกดปาดเราลองมองถึงตาเราสิวน่วาวเราก็พริบวันหนึ่งเนี่ยทั้งวันเลยเนี่ยโอ้โหไม่รู้กี่หมื่นแสน แล้วก็พิบอยู่ตลอดเวลาหูเราเนี่ยก็สั่นสะเทือนตลอดเวลาปากมันก็พูดอยู่ตลอดเวลาไปปากนี่ก็คือเทวานนะเรียกว่าทวานทวานเนี่ยมันไม่เคยมีของดีเลยคำว่าทวานก็คือรูตูดเองนั่นแหละ ปากนี่ก็เรียกว่าขับของเสียออกปากนี่ก็กินของเสียนะเสียยังไงเราก็เสียชีวิตแล้วกินแต่ของตายไงปากกินแต่ของตายใครกินปลาเป็นๆได้บ้างใครกินวัว ก, กินควายเป็นๆได้บ้างแต่กินได้กูก็ไม่อยู่แล้วประเทศนี้ แสดงว่าเป็นยักษ์เป็นมารสามารถอ้าปากคุบควายไปทั้งตัวควายก็ดิ้นปัดปๆๆปปปัดเราว่ากืนเกลือบเข้าไปกินของตายทั้งนั้นเขาก็บอกว่าดีก็าปากชัวกว่วกับปากไอ้ที่ตายเพราะปากมันมากมายเห็นไหมโยเมื่อปากกินของตายเนี่ย ใจเราเนี่ยก็ยึดมั่นถือมั่นเลยยึดติดในรสชาติที่เราชอบที่จะกัดกินแต่เราไม่รู้สาเหตุเลยเรากินของตายเนี่ยใจเราเนี่ยก็ตายจากความเป็นมนุษย์และใจเราเนี่ยบางทีก็เป็นนกหนูกาไกา่กุ้งหอยปูปลาที่หลวงพ่อทําให้ฉันอยู่ทั้งวันกินกันทั้งวันเนี่ย แต่เราไม่ได้พิจารณาเลยว่าโอ๋โนอสัตว์เหล่านี้เนี่ยมันเป็นมนุษย์ไม่ได้เมื่อก่อนมันคงเป็นมนุษย์อย่างที่หลวงพ่อท่านบอกว่าเกิดเป็นมนุษย์ไปได้ก็ต้องตายไปตามสภาพกรรมก็คือรูปนามแห่งกรรมเป็นรูปไก่บ้างกุ้งบ้างหอยบ้างปูบ้าง เป็นรูปช้างมาวัวควายที่จะต้องมีสภาพกรรมกรรมก็ต้องถูกกืนเข้าไปเห็นไหม เ, ออเขาเรียกว่ากล้ากลืนฝืนทนนั่นเองเห็นไหมเมื่อเรากัดกืนของที่เป็นขยะเป็นของชั่วที่เป็นมนุษย์หลุดพ้นไม่ได้ก็ตกอบา ย, ยภูมา คำว่าอับบายเนี่ยก็คือกิเลสนะมันใช้เครื่องเป็นเครื่องอุบายทำให้เราเนี่ยเกิดความโง่ขึ้นเรื่อยๆเขาเรียกโง่เยี่ยงควายไงที่เขาด่ากันว่าไอ้ควายอีควายนะไม่เห็นมีใครด่าเลยอีทองคําอีเงินและทอง เดีย๋ยกูด่าซะเลยนะขออภัยมีแต่ด่าว่าอี้ดอกทองออนะทองเนี่ยมันทําดอกดอกได้ทีไหนเงินนี่ยไปออกดอกได้แต่ปัจจุบันเนี่ยเ้าเอาทองไปออกดอกไปเล่นหุ้นได้เอาทองไปขายแล้วก็ได้เงินมาไอ้เงินเงินทองทองนี่แหละ ให้ฉิบหายหมดเพราะมันเอาติดตัวเราไปไม่ได้เมื่อเรากินของที่เป็นวิบากกรรมที่เกิดมาเป็นเป็ดไก่หูหมากาไก่เนี่ยเข้าไปในร่างกายเรียกว่าของตายตายแล้วมันไม่จเจริญงอกงามเปรียบเสมือนเด็กตัวเล็กๆเนี่ยเราอุ้มเด็กเนี่ย ได้กินปากกินเต่าบ้างั้มเด็กมันกินนมแม่มันไม่กินกุ้งหอยปูปลาเหมือนกับเราตัวในน้อยเนี่ยมันกินน้ำนมได้อย่างเร็วปากมันก็ไม่มีเศษอาหารนะไม่มีเศษอาหารที่ติดอยู่ตามฟันขีสเศษ น้ำลายเด็กเนี่ยเด็กไม่เห็นขากน้ำลายมากระออกมาเด็กไม่มีเด็กก็ไม่มีขี้เสเลตมีแต่น้ำลายน้ำลายเด็กก็ใสๆที่เหมันเป่าเล่นปื๊ด ป, ดปดืน้ำลายเด็กมันก็ไม่เหม็นเขาเอาผ้าซั บ, ซ, บ, ซ, บซับหน่อยหน่อยแต่พวกมึงมีน้ำลายไหลเหมือนน้ำลายเด็ก นั่งเป่าน้ำลายเล่นน้ำลายยืดเนี่ยแสดงว่ามึงเนี่ยมันไม่ใช่คนปกติแล้วไม่ใช่ไม่ใช่คนที่ธรรมดาแล้วมันเป็นประสาทแล้วคนประสาทเนี่ยมันไม่รับหลแล้วปากน้ำลายขี้เยี่ยวมันจับมันเล่นได้ เรียกว่าคนวิกจริไม่มีไม่มีสติแล้วเมื่อเรากินของตายที่เป็นของอยู่ตกอยู่ในอบัยวภูมิจิตใจเราก็ตกต่ําลงไปตายจากความเป็นมนุษย์เนี่ยร่างกายที่เคยเป็นมนุษย์ที่สะสมบุญกุศลมากินตัวเด็กก็หอมเนื้อตัวกรนิ่มน่ารักน่า น่าน่ารักไปหมดอุ้มเด็กกอดเด็กหอมเด็กอุจจาระเด็กมันก็เหม็นไม่มากเท่ากับอุจจาระเราร่างกายเด็กมันก็ไม่เหม็นเหมือนกับร่างกายเราลองเปรียบเทียบดูให้ฟักฉี่เด็กเนี่ยมันก็ไม่เหม็นเหมือนกับฉี่เราเด็กเนี่ยก็ได้รับการอุปโภคบริโภค สรรหาจากพ่อและแม่เกิดมาใหม่ๆไม่มีฟันก็บดข้าวบดผักที่มันเป็นมูลค่าอาหารพอเริ่มเด็กเริ่มโตขึ้นมาร่างกายโตขึ้นมาไอพ่อแม่ก็มีสัญดานที่กินสัตว์เป็นอาหารอยู่แล้วอะไรที่กินสัตว์เป็นอาหารเนี่ยโหลองนึกสิย มันเป็นสัตว์ที่น่ากลัวที่สุดเหมือนนกหนู ก, กาไก่เห็นเราเนี่ยวิ่งหนีเลยวิ่งเลยก็ลอกกนแต่หมูหมากาไก่เนี่ยเห็นคนใจร้ายเนี่ยมันวิ่งหนีเลยเราก็หนีไม่พ้นจากอบัยวภูมิตั้งแต่เป็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายค่อยๆอยนึกตามไปเรียกว่ากรรมเป็นเผ่าพันเรียกว่าพันทุกกรรม เมื่อเกิดมาแล้วอ่ะบริสุทธิ์ผุดพองพ่อแม่ก็เริ่มป้อนไก่เข้าไปปลาป่าปล า, ปามึกถึงตัวไก่เชืว่ามันเป็นยังไงพ่อแม่ก็ป้อนตัวไม่พอก็ป้อนไข่เข้าไปปลาปลาเก็ดตัวกินไข่เพราะว่างั้นบางคนเห็นไก่หลวงพ่อเห็นลองอี๊น่ากลัวแต่พอย่างทอดแล้วมึงแดกอย่างก็หมูหมากาไกา่แดก เคียวนี่หมาร้องให้เลยกระดูกก็ไม่เหลือตับไตไส้พุงที่มึงกินกันเนี่ยลองนึกภาพตัวเองดีงว่าโอ้โหเรานี่มันยักษ์หรือ ม, มารไว้เนี่ยมันเป็นสัตว์ประหลาดแบบไหนแน่มันกินตับไตไส้พุงคนอื่นแต่พอก็สร้างหนังมาสร้างนิยมนิยายออกทีวีว่าเปดอียิปต์เนะ มันกินตับไตไส้พุงโอ๊ยอวกแตกอวกแตนเห็นอีลำยองเน่าเหม็นตัวเน่าหมดอีลำยองทนดูทีวีกันโอ๊ยนาะสมน้ำหน้ามึงมึงมันมากชว้หลายผัวเนี่ยออกคนชูวโอ้โหด่ากันสงสารไอ้เด็กไอ้วันร้องห่มร้องไห้สงสารไอ้วัน จะไม่รู้เลยวันหนึ่งวันหนึ่งในมึงสงสารตัวมึงม้างไหมมึงเวทนาตัวมึงเองบ้างไหมเนะี่ยํายองมันสวยพิ้งในะตอนเนี้ยมันได้ผัวรวยไปด้วยนะตัวจริงมันแต่มันมาเล่นละคร น, นะชีวิตเราก็เหมือนละครเลยอนะยิ่งว่าลํายองเงี้ยของมึงอนะ่นะ ขนาดยังยังยองขี้ออกไปแล้วทายออกไปแล้วมึงก็เติมอีกไม่ตายเหมือนนี่ลายองซะด้วยแล้วมึงอายม้างไหมอายไอ้วันม้างไหมวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยมึงนึกถึงแม่นึกถึงแม่มึงบ้างไหมก็เราอยู่ในท้องแม่ตั้งเก้าเดือนโอ้โหเก้าเดือนไม่น้อยกว่าจะเลี้ยงต่อได้ วันหนึ่งมึงนึกถึงไครเนี่ยแม่แต่ไปร้องให้กับละครโขนหนังพอถึงเวลาในละมือเลยมาแล้วลำยองมาแล้วนะเขาก็สร้างภาพสร้างให้เห็นเป็นตัวละครเกิดขึ้นเหมือนกับรายการรายการหนึ่งว่าชีวิตไม่ใช่ลนะครหรือชีวิตคือละครชีวิตคือเรื่องจริง เรื่องจริงก็เองอะความเป็นมนุษย์ในร่างกายของเราเนี่ยเริ่มเปลี่ยนแปลงผู้หญิงก็มีนมออกมาเริ่มพองออกมานีลักแรที่เราเป็นเด็กที่ไม่เคยมีขนขนหลักแรก่ก็ออกผู้ชายก็มีหนวดน เด็กก็เริ่มมีขนหัวงอกงามขึ้นมาเริ่มขนแล้วขนงอกงามแล้วพ่อแม่เขไม่รู้ตั้งแต่ปู่ย่าตาทวดว่าเรากําลังเอาขยะเนี่ยให้ลูกกินขยะนี่คือเศษกรรมที่เป็นจากมนุษย์ไม่ได้แล้วหลุดพ้นจากมนุษย์ปอนวัวปอนควายป้อนหมูปอนเป็ดป้อนห่านป้อนไก่ บัรจุทับถมเข้าไปในร่างกายมันกินเข้าไปแล้วมันก็เข้าไปในกระแสเลือดเลือดของเราที่บริสุทธิ์อยู่เนี่ยตอนเด็กๆ เ, เนี่ยผิวพันธุ์มันบริสุทธิ์หมดมันน่ารักนะกอดจบหอมอยังไงก็ไม่เหม็นปากไม่เหม็นคิเ้เต่าเด็กตัวเล็กๆมันแปลงพันอย่างเราเมื่อไหร่ จับมันบ้วนปากเช็ดปากมันก็ยังไม่เหม็นปากเหมือนพวกเราปากเรามันกินทุกสิ่งทุกอย่างลองลองดูปากสิเมื่อกินเสร็จเราก็ใช้ปากพูดให้มีเสียงอ้าปากปะงาปะงาไอริ้นเนี่ยมันไม่มีกระดูกก็ ก, ะ, กะดิกริ้นนี่ก็เป็นต่มเรียกว่าต่อมน้ำลาย ลองเอากล้องไปขยายลิ้นดูหลวงพ่อเคยแลบลิ้นแล้วก็ดูในกระจกเอากระจกขยายส่งไปอีกโอ้โหมันน่าเกียดมันเป็นตุมต่มๆเหมือนไอปลาหมึกนั่นแหละหนวดปลาหมึกมันมีตุมต่มๆ ม, มันเป็นตุม่มเล็กตุม่มน้อยพอเรากระดกลิ้นเนี่ยมันมันก็เห็นตุม่ม น้ำมะนาวเปรี้ยวๆค่อยๆแตะดูมันขยายเป็นลูออกมามีน้ําใสๆออกมาเพื่อรับรถโอ้โหนี่ลิ้นนี่เหมือนสัตว์ประหลาดด้วยมองแล้วโอ้โหมันคาปากเราอยู่เลยล่ะเนี่ยลิ้นคาปากเนอะลิ้นก็คือเหลือบลิ้นไหลนี่เองนะลิ้นเนี่ย ลิ้นก็เปรียบเสมือนมแมลงชนิดหนึ่งที่กินเลือดผู้อื่นนะมันกินเลือดผู้อื่นมันเป็นตัวเล็กๆมองถ้าไปเห็นระบินเนี่ยมันกินควายกินหมัวลิ้นตัวมันถ้าจะมองไม่เห็นมันกินควายได้ไอ้ลิ้นเนี่ยลิ้นเราเนี่ยอยู่ในปากเล็กๆแท้ๆ กินวัว ก, กินควายได้เนี่ยมะมีใครคิดอย่างหลวงพ่อบ้างหลวงพ่อค่อยๆบอกเราว่าไอรูเล็กๆเนี่ยไอลิ้นเนี่ยกลิ้งกรอกไปสัมผัสเพียงแค่รสเท่านั้นเองเมื่อสัมผัสรสเปรี้ยวหวานมันเค็มที่พระพุทธเจ้าบอกว่าเราอย่าติดในรสชาติ ชาติของเราเป็นมนุษย์เนี่ยเราไม่รู้เลยไปที่เขาด่ากันไอชาติหมาขออภัยไม่ได้พูดหยาบที่เขาพูดกันทั่วไปหมามันก็เห่าไปเรื่อยเจยกัดหมาเนี่ยมันเห่าปากไม่ดีไอพวกชาติหมาพวกนี้ดีแต่ปากเห็นไหมเพราะปากไม่ดีเนี่ย มันกินของตายกินขยะมูลฝอยเข้าไปในร่างกายสัตว์ต่างๆเนี่ยมันก็ไปรวมอยู่ในกระแสเลือดเราลองนึกดูว่าตัวเราเนี่ยตั้งแต่เล็กจนโตเนี่ยเรากินสัตว์อะไรลงไปบ้างสัตว์น้ำในทะเลก็คงเหลือดดำน้ำที่มึงกินไม่ได้คงยังไม่ได้กินนะนะสัตว์น้ำ เรือดำน้ามึงโกงกินไม่ได้ทั้งลําแต่ไอ้พวกโกงกินมันกินได้ไอนะ้คนชั่วมันโกงกินภาษีประชาชนมันโกงกินเครื่องบินสัตว์ปีกบินอยู่บนอากาศมึงก็โ ก, กงกินคนพวกนี้โกงนี่ก็อักษรกอเรียกว่ากอเอ๋ยกอไก่โกงชาติโกงแผ่นดินเนี่ยก็จะต้องเกิดไปเป็นไก่เห็นไหม เอเกิดเป็นไก่ไก่เนี่ยกินกันทุกวันเลยทําไมมันไม่หมดก็เพราะว่าพวกโกงกินเนี่ยมันมากมายในบ้านเราเมืองเราโกงกินภาษีประชาชนก็หยาดเหงื่อแรงกายคนที่โกงกินนี่ยจ้ำกลับเกิดมาเป็นไก่ลูกคุยเขียหากินไปอิ่มไปวันหนึ่งวันหนึ่งก็เหมือนโกงกิน เลือดเนื้อที่เราเนี่ยทำมาหากินไปวันๆก็เก็บภาษีคนพวกนี้ก็กงกินคนที่คุยเขียหากินทุกวันเนี่ยก็เกิดไปเป็นไก่เอาแล้วเริ่มแล้วเริ่มรู้แล้วว่าอ๋อกอเอ๋ยกอไก่กอไก่นี่อยู่ในล้าเห็นไหมตักขังให้ไข่ออกมา กินแล้วให้คายออกมาคายออกมาเป็นไข่ไงเมื่อกินไข่หมดแล้วก็ต้องกินตัวเขาเรียกว่าเหมือนกับชูชกกินจนเกินตัวท้องแตกตายเราก็เหมือนกันกัดกินสัตว์ต่างๆเนี่ยจิตใจก็ไม่ใช่เป็นมนุษย์แล้ว ลองนึกถึงตัวเองเนี่ยโอ้โหมีตัดสัตว์เดรัจฉานเต็มไปหมดขอบงําจิตใจเลือดเนี่ยมันก็เข้าไปในหัวใจสูบฉีดก็หัวใจขนาดปอดเนี่ยมันฟอกเลือดโดยออกซิเจนฟอกเลือดดำให้เป็นเลือดแดงเอาไปหล่อเลี้ยงร่างกายยังหน้าดาหน้าแดงเลยพวกมึงอะไอคนโกงกินมันมากมาย เกียรติพ่อเกียรติแม่มันก็ต้องเหนื่อยเหมือนวัวเหมือนฝ่ายที่เลี้ยงลูกมันเห็นหั้มมันเกี่ยวเนื่องกันแล้ววันนี้หลวงพ่อจะพูดถึงกอไก่กอเอย๋ยกอกรรมคนที่โกงภาษีประชาชนคนที่คดโกงต่อพ่อต่อแม่ต่อพี่ต่อน้องคดโกงต่อมนุษย์เพื่อนมนุษย์ด้วยกันที่ร่วมโลกเนี่ย มันจะต้องเกิดเป็นกอไก่เพราะไอ้กอโกงกอกรรมนี่แหละมันจะต้องเกิดมารับสภาพกรรมเสภาพกรรมของเราเนี่ยเมื่อเกิดปุ๊บพ่อแม่ก็เริ่มปรุงแต่งเน่เริ่มให้เรากัดกินเหมือนสัตว์ประหลาดไม่ให้เป็นมนุษย์ให้เป็นสัตว์ประหลาดจิตใจเนี่ยก็อ่อนไหวฟุ้งซ่านไปตามสภาพ ของสัตว์ต่างๆนานาเหมือนพระคุณเจ้ากับแม่ชีแม่าพามที่มาปฏิบัติเนี่ยเมื่อเราตั้งใจบำเพ็ญเพียรใจดีจิตดีนั่นเองหน้าตาก็ผ่องใสเนื้อตัวเราลองรูปตัวเราิมันลื่นคนที่บวชเนี่ยก็ไม่ได้ทาเครื่องอุปโภคบริโภคเสริมสวยอะไรเลย ทำไมหน้าขาวใสแววตาใสดูแล้วชื่อนกกชื่นใจเหมือนพระที่ประพฤติดีปฏิบัติชอบนะไม่ใช่แดกหาจนตัวใสปวนขาวพรีสวยเลยนะก็เปรียบเทียบให้ฟังว่าไม่ต้องกลัวว่าไก่จะหมดแหละไม่ต้องกลัวกุ้งหอยปูปลาหมด ชั่วไม่หมดสัตว์เดรัจฉานพวกนี้จะ ต, ต้องเกิดมาต่ำจากมนุษย์ก็เป็นสัตว์เดรัจฉานหมูหมากรไกา่ช้างม้าวัวควายเนี่ยให้เราได้ใช้ใช้เสร็จเราก็กัดกินฆ่าขายกันเกิดเป็นช้างม้าวัวควายใช้ไม่ได้ก็ตกหล่นจากอบัยวุมก็เป็นต่ำลงไปอีกเรียกว่าท้องบาดาลเลย ก็คือท้องทะเลนั่นแหละหลดจากทะเลแล้วเรายังไปควานเอามากินอีกชีวิตเราเลยก็ตกต่ำไปเรื่อยๆตายจากความดียินดีต่อความชั่วยินดีต่อเลือดเนื้อพวกอื่นคือไม่เห็นความยากลำบากของคนอื่นนั่นเองเพราะนั้นที่เรามาประพฤติปฏิบัติวันนี้เนี่ย ค่อยๆรู้เหตุรู้ผลพอลูงพ่อบอกเหตุบอกผลแล้วจะสอนสมถะกับวิววปัสนาเรียกว่าสมถะวิปัสนากรรมฐานสมถะก็คือการให้คิดพิจารณาหาเหตุหาผลในตัวตนของเราวิปัสนาก็คือปัญญาล้วน ปัญญาแบบไหนก็ให้เห็นว่าอ๋อเป็ดกอไก่เนี่ยก็คือกอโกงในพวกโกงในพวกเกิดมาเป็นเป็ดไก่เหรอเราไม่รู้เลยนะกอเอ้ยกอไก่ขอไข่อยู่ในลาวกรรมมันกักขังมึงไม่ต้องกลัวหรอกที่เขาโกงกินวุ่นวายกันอยู่ทุกวันเนี่ยมึงเกมได้เลยว่ามึงต้องมีไก่กินตลอด คนคดโกงเนี่ยคดคอควายเนี่ยยังมีคอคเรียกว่าคอคนอะไรมันคดโกงมากที่สุดก็คือคนเนี่ยเขาจึงไม่ใช้คอคนมันเอาเอามาใช้สะกดคนโบราณในคอควายมีหยกักหยักกลางเนี่ยเรียกว่าคอคนคนมันคดโกงหลก มันเกิดมาในชาติตะกูลที่โกงมันก็โกงคดงออยู่นั่นแหละให้มันมีกินมีใช้ยังไงมันก็เบียดเบียนมนุษย์ด้วยกันไม่ต้องกลัวเลยว่าไก่จะไม่มีกินไข่จะขาดตลาดไม่มีทางมันจะต้องมีตัวก่อให้เกิดเพื่อจะต้องชดใช้กรรมเรียกว่าวัจกิกรรมเมื่อเรากินของตายเนี่ย กินพืกขยะมูลฝอยที่เป็นเศษออาบยภพูมเข้าไปพูมที่เป็นมนุษย์เริ่มหมดร่างกายก็เริ่มหยาบจิตใจก็หยาบก้านลงกินตัวเนี่ยมันเหม็นไปเหมือนไม่รู้ว่ามันเหม็นเหมือนสัตว์อะไรแต่ตอนเกิดเราก็เกิดมาจากกรรมอยู่แล้วเกิดจากกรรมร่างกายเราเกิดมานี่มีกินตัวไม่เหมือนกัน กลิ่นตัวแต่และคนเนี่ยรวมทั้งหลวงพ่อด้วยเนี่ยมีกลิ่นตัวไม่เหมือนกันเลยลองเปลี่ยนเสื้อผ้ากันใส่สิจะรู้เลยว่ามีกลิ่นตัวยังไงไม่ใช่เสื้อเราผ้าเราบางคนกลิ่นตัวหอมหอมก็มีเนี่ยเขาเกิดมาเขามีกรรมดีทางกายกายเขาก็ดูสวยงามเราเกิดมา จิตใจหยาบก้านด้วยเนื้อตัวก็หยาบก้านด้วยจิตใจหยาบไม่พอเนื้อหยาบหนังหยาบสติปัญญาก็คิดแต่เรื่องหยาบหยาบไม่ละเอียดได้ก็ที่เราเนี่ยพยายามทำของหยาบคือจิตให้หยาบเนี่ยให้ละเอียดอ่อนก็จิตใจที่แข็งกระด้างมีแต่ความโลภโกรธหลงก็ให้อ่อนลง ให้มีเหตุมีผลเห็นหมธรรมของพระพุทธเจ้าเมื่อเรามีเหตุมีผลรู้ตัวรู้ตน ร, รู้เหตุแล้วเนี่ยสอนสมถะก็พิจารณาง่ายมองเห็นพิจารณาตัวเองว่าโอ้เกิดแก่เจ็บตายเป็นของอันนี้จังเป็นของไม่เที่ยงเป็นเรื่องปกติเมื่อเกิดขึ้นก็จะต้องแก่ก็จะต้องเจ็บจะต้องตายไปในที่สุด แกแหวนเงินทองมันก็เอาไปไม่ได้มันก็ทาให้จิตใจเราเนี่ยอ่อนร้าอ่อนความความโลภก็ปลดเปื้องใจออกไปใจก็เริ่มเบาสบายขึ้นว่าไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรได้สุขเราก็ไม่รู้ว่าอะไรคือสุขที่แท้จริงทุกเราก็ไม่รู้ว่าอะไรมันทุกข์ที่แท้จริงมันสุขสุกทุกๆุกอยู่ทุกวี่ทุกวันมันสมหวังกับผิดหวังอยู่อย่างเงี้ย วุ่นวายไปถ้าเรามีสติไม่รู้ไม่ก่อเกิดปัญญาไม่รู้ตัวรู้ตนเนี่ยเราก็ตกอยู่ในอารมณ์อารมณ์ของอบายภูมิก็คือสัตว์สัตว์ต่างๆเห็นไหมเริ่มเข้าใจแล้วเรียกว่าวิปัสนาเมื่อมีเหตุมีผลรู้เหตุรู้ผลแล้วจิตของเราหลุดพ้นจากอบายภูมิจะไม่เป็น อริยสงฆ์อริยะเจ้าได้อย่างไรเมื่อเราเป็นอริยะสงฆ์อริยะเจ้าคือรักความโลภตัดความโลภก็เริ่มมีเมตตาให้คือมีการให้เริ่มแรกก็ให้อภัยคนอื่นเห็นไหมที่เรามาอยู่ในยี่ยมเยียมแจ่มใสไม่มีเรื่องมีลาวเลยเพราะว่าตัวเองไม่ได้แสวงหาความโลภซึ่งกันและกัน แหวงหาประโยชน์ซึ่งกันและกันหลวงพ่อก็รักพวกเราเนี่ยเหมือนญาติพี่น้องเล่นด้วยคุยด้วยทุกวันทําอาหารทําโนนทํานี่นําให้เราเห็นเมื่อกินเข้าไปแล้วกัดเข้าไปแล้วเนี่ยสําลอกออกไม่ได้ก็ได้จะทายออกมาได้แต่สําลอกออกทางจิตใต้สํานึกที่เรารู้เหตุรู้ผลเนี่ยก็ต้องรอหลวงพ่อนี่แหละ มาบอกชี้เหตุชี้ผลเมื่อเรารู้เหตุรู้ผลแล้วนั่งสมาธินี่ดิ่งเลยลูกมันไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรแล้วมีอารมณ์ว่างสบายค่อยๆคยันตรงนั้นหายใจหลุดออกตรงนี้เจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้เหมือนอะไรมันทิ่มแทงจี้จ้าไปหมดมันออกกายที่เราห ย, ยาบๆยาบสกรปรกบ้านเรายังถูเลย เรายังถูบ้านร้างจานแปลงฟันแต่เราไม่เคยร้างจิตร้างใจจากที่ใจเราเนี่ยตกอยู่ในอบายภูมิภูมิของสัตว์เดรัจฉานนี่มันคุมร่างคุมตัวคุม้มคุมเข้าไปในจิตใต้สำนึกก็คื อ, คอทำให้ก่อเกิดสันดาณแห่งความเป็นเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานตกนรกทางใจนั่นเอง แต่งไปตาม ว, า, วาละของกรรมที่ชักจูงไปในสถานที่ต่างๆที่เป็นกรรมเพราะการเกิดเกิดเพราะมันไม่รู้เลยเราเกิดมาเนี่ยเราไม่รู้ทิศรู้ทางขนาดไม่รู้จักพ่อจักแม่ในแย่ yeah, แล้วโยมชาวๆอย่างนี้ก็คาดว่าอีกวันหนึ่งที่ค่อยรู้เหตุรู้ผลเกิดสติปัญญาไปเรื่อย วันท้ายๆจะสอนว่าทำเข้าไปในจิตเนี่ยจิตที่เราเข้าไปในใจเราได้เนี่ยก็จะได้เห็นสวรรค์บ้างก็จะได้เห็นนรกที่เราทุกวันที่เราตกนรกทางหูทางตาทางปากทางใจเนี่ยทางกายทุกวันเนี่ยกักกรรมกันทุกวันเนี่ยมองไม่เห็นเพราะว่าเราไม่ได้เข้าใจมันเอาละ่ะ ค่อยๆถอนสมาธินะเพื่อจะได้ดำเนินชีวิตืต่อไป